ที่พระราชกุมารอีกพระองค์หนึ่งได้อุบัติขึ้นมาในโลกฮ่ า, ากุมาร น, น้อยของข้าเจ้าเป็นนิมิต ท, ที่นำความปรีดาปราโมทย์และบันเทิงสุขมาสู่ราชวงศ์ของเราข้าจึงขอตั้งชื่อเจ้าว่าอานันท์อานัน ท, อนนท์อานันท์ ราชบุตรของเราเกิดวันเดียวกับที่เจ้าชายสิทธัตถะราชโอรสแห่งเสด็จที่สุดโทธทนะประสูทิ์ดูสิท่านทั้งหลายชรอยกุมารทั้งสองคงเป็นสหาชาติกันเพราะก้าวลงสู่โลกมาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายจึงนับว่าเป็นคู่บารมีกันโดยแท้อานันท์ทันทพ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 เจ้ามาก็ดีแล้วพ่อมีเรื่องจะคุยกับเจ้าพระเจ้าข้าอนันทะลูกพ่อบัดนี้เจ้าก็ได้ร่ำเรียนจนจบการศึกษาทั้งศาสตร์และศิลจากสำนักอาจารย์ที่ดีที่สุดเท่าที่พ่อจะหาได้ในแคว้นสักกะของเราเป็นพระกรุณาที่คุณล้นกล้าพระเจ้าข้าลูกรัก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 เจ้าชายอนันทะพึงใจสตรีใดเป็นพิเศษไม่การเสด็จออกบรรพชาของเจ้าชายสิทธัตถะมากุดราชกุมารแห่งกระบิลพัตได้ก่อความสะเทือนพระอไทยและพิสวงงงงวยแก่เจ้าชายอนันทะยิ่งนักพระองค์ได้แต่เฝ้าคุ้นคิดถึงเหตุผลในการละทิ้งราชสมบัติ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 เทวทัตอนันทะเวลานั้นเพื่อสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากอุรุเวลาเสนานิคมตาบลที่ตรัสรู้ไปสู่อิสิป ต, ตนมฤรุกขายวันเพื่อโปรปัญจวัคคีหลังจากที่ทรงโปรพยสะและชดินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้า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 จำนวนประมาณสองหมืรูปก็ได้เสด็จจากกรุงราชครื้สู่นครกบิลพั์การเสด็จมาของพระพุทธองค์ครั้งนี้เป็นที่ชื่นชมสมณัตของพระปยุร ญ, ญ, ญาตยิ่งนักพระทรงจากบ้านเมืองไปถึงเจดปีครั้นเมื่อทรงเสด็จมาเยี่ยมพระราชบิดาถึงพระราชวังก็ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาะ โปรดให้พระราชบิดาเป็นพระสกิทาคามีและพระน า, นางมหาประชาบดีโคตมีบรรลุเป็นพระโสดาบาันในที่สุดซึ่งในระหว่างนี้เจ้าชายอานอนในฐานะที่เคยเป็นอนุชาคนสนิทของอดีตเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้มีโอกาสตามสเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรับใช้ใกล้ชิดเป็นโยมอุปถา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 เพื่อเผยแผ่พระศาสนาต่อไป ปรารถนาที่จะได้เสด็จออกบรรพชาตามรอยพระเชษฐานั้นแรงกล้ายิ่งนักแต่จนบัดนี้พระองค์ก็ยังไปได้ไม่ถึงไหนเมื่อครั้งพระศาสดา ย, ยังประทับอยู่ณ น, นิคโครทารามนั้นเจ้าชายแห่งสากยะวงหลายพระองค์ได้เสด็จออกบรรพชาตามพระพุทธองค์เจ้าชายอาน o ก็ทรงทำเฉยเสียราวกับนิ่งดูได้แต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่า<ม>เจ้าชายอาน o น์นั้นเป็นผู้มีจิตใจงดงามยิ่งนักพระองค์มักจะทรงห่วงใยคนอื่นก่อนตัวเองเสมอดังนั้นแม้ว่าจะทรงตั้งใจบรรพชามาก่อนใครๆแต่ก็ทรงอดเป็นห่วงพระราชบิดาและพระราชารดา ซึ่งอยู่ในวัยชรามิได้จนกระทั่งเมื่อเจ้าชายอนุรุตและเจ้าชายพัชยะได้มาชักชวนให้พระองค์ออกบรรพชาตามกระแสผลักดันของพระญาติทั้งหลายในสากยวงศ์ที่ต้องการเห็นบุตรหลานของตนที่ได้เคยถวายให้เป็นพืชเล่นและเป็นบริพานของสิท ธ, ธัตถากุมารเมื่อครั้งกระโ น, น้น ได้ออกบวชเพื่อติดตามรับใช้พระศากยมุนีต่อไปในปัจจุบันด้วยเหตุนี้เองเจ้าชายอานน์จึงได้โอกาสออกบรรพชาพร้อมกับเจ้าชายอนุรุษเจ้าชายพัทยาเจ้าชายเทวทัตเจ้าชายพระคุและเจ้าชายกิมพิละเจ้าชายทั้งหพระองค์ จึงรีบเสด็จออกจากกรุงกบิลพั์มุ่งสู่แคว้นมัลละทันทีเมื่อเสด็จถึงพรมแดนระหว่างแคว้นสักกะและแคว้นมัลละพระราชกุมารทั้งหกก็ส่งเครื้องพระภูษาอันมีค่าราคาแพง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 ให้การอุปสมบทแก่อุบาลีก่อนเถิดเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจากได้อภิวาลุกรับเขาเมื่ออุปสมบทแล้วถือเป็นการทำลายดิษฐิมานะไปในตัวเพื่อประโยชน์แก่การประพฤติพรหมจรรย์เอาเถอะอา น, นุนถ้าเจ้าต้องการอย่างนั้นเราก็จะสาธุกการให้เป็นไปตามนั้น เป็นพิสษจน์ในพระพุทธศาสนาโดยมีพระเพลสัตะสีเป็นอุปชายยะและมีพระปุณณนะมันตานีบุตรเป็นพระอาจารย์ พรรษาเป็นปีที่20สนับแต่ตรัสรู้ส่วนพระอานน์มีอายุได้ห5ปีเช่นกันแต่มีพรรษาได้19ปีจำเดิมแต่อุปสมบทพระอานน์ก็ได้รับเกียรติอันสูงสุดของอริยะสองฆ์อย่างหนึ่งนั่นคือการได้รับหน้าที่เป็นพระพุทธุปทา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 เป็นความรอบคอบสุขุมของพระผู้มีพระภาคที่ตรัสเช่นนั้นความจริงหากพระองค์จะตรัสเฉพาะพระอานน์เองพระอานน์ก็พอใจที่จะได้รับใช้ใกล้ชิดพระองค์ตลอดเวลาแต่เพื่อจะยกย่องพระอานน์และให้คณะทรงรับทราบในอัธยาศัยของพระอานน์พระองค์จึงเลือกปรารบเรื่องนี้ ท่ามกลางสง์ความเป็นจริงนั้นพระอานนนได้สั่งสมบารมีมาเป็นเวลาหลายร้อยชาติเพื่อตำแหน่งอันมีเกียดนี้ทว่าพระอานนนก็เป็นผู้รอบคอบและมองการไกลไม่แพ้กันเมื่อพระผู้มีพระภาคและคณะทรงมอบตำแหน่งนี้ให้แล้วพระอานนนก็ทูลขอเงื่อนไขบางประการ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 จะมัวติดตามพระศาสดาอยู่ทำไมเหมือนกบอยู่ในสะบัวแต่หารู้ถึงเกศสอนบัวไม่พระพุทธองค์ประทานพรทั้งแปดประการแก่พระอานน์พุทธอนุชาตาปราธนาและพระอานน์ก็รับตำแหน่งพุทธทุปทาตั้งแต่บัดนั้นมา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 วันนั้นเป็นเวลาเช้าพระพุทธองค์มีพระอานอนท์เป็นปัจชาสมณะเข้าไปบินธบาตในนครราชครึและในขณะที่พระองค์กำลังรับอาหารจากสตรีผู้หนึ่งอยู่นั่นเอง้ชัังงตตกกมมนน ดูสิท่าทางมันเมามาด้วยเดินเป๋เลยพ่อก็ดูอยู่ได้ไม่กลัวตายหรือไงไปทางน้นเร็วขณะนั้นผู้คนที่มาคอยใส่บาทแด่พระผู้มีพระภาคต่างก็วิ่งหนีเอาตัวรอดทิ้งภาชนะอาหารเกลื่อนกราดแต่พระพุทธองค์กลับนิ่งสงบพร้อมทั้งเีินมาทางทิที่ช้างใหญ่กำลังวิ่งมา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 รวมจากชีวิตได้ไม่ว่าสัตว์วิริชาหรือมนุษย์หรือเทวดามาพรมใดๆดูนั่น <Jub> ส <ilee> ิฉันละลาคีรีมันจะถึงพระพุทธเจ้าของเราอยู่แล้วทำยังไงดีล่ะพ่อไม่ทันแล้วดูดูนั่นพระษัทตดาจะติ้นแล้วหรือนี่โอ้ไม่นักขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงประทับ ร้อกับทรงแผ่เมตตาซึ่งทรงได้อบรมมาเป็นเวลานา น, านหลายแสนชาติซ่านออกจากพระคารุไทยกระทบเข้ากับใจอันคลุกอยู่ด้วยความมึนเมาของนางช้างช้างใหญ่หยุดชงักเหมือนถูกตีด้วยเหล็กท่อนใหญ่ใจซึ่งเร่ร้อนกระวนกระวายพระโมหะของมันสงบเย็นลงทันที เหมือนไฟน้อยกระทบน้ำเย็นจัดก็พลันดับฟูบลงมันมอบลงแทบพระบาทของพระศ า, าสดาพระพุทธองค์ทรงใช้ฝ่าพระหัตร์ลูปศรษะของพระยาช้างพร้อมทันตรัสว่านาลาคีรีเออยเธอถือกาเนิดเป็นเดือรฉานในชาตินี้ เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธอยาประกอบกรรมหนักคือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเลยเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานนางช้างสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงใช้งวงเคล้าเคลียพระชงของพระผู้มีพระภาคเหมือนสรภาพผิด ความมึนเมาและตกมันประลาศาการไปสิ้นประชาชนได้เห็นพุทธานุภาพอย่างอัศจรรย์เช่นนั้นก็าพากันมาสการะบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้และของหอมจำนวนมากด้วยความศรัทธาเต็มเปี่ยม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 ความตั้งใจอันดีของท่านจะถูกกำหนิอย่างรุนแรงเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงประชวรด้วยโรคลมในพระอุทธรทำให้พระอานนนเป็นห่วงยิ่งนักจึงได้ปรุงข้าวยาคูคือข้าวต้มต้มจนเหลวด้วยมือของท่านเองเพราะพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่ายาคู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 ที่พระองค์จักปรินิพานในครั้งนี้จึงทรงใช้สมาธิอิทธิบาทภาวนาขับไล่อาภารนั้นด้วยอธิวาสนะขันติคือความอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากความป่วยไข้จนกระทั่งหายแล้วพระอานน์จึงได้เข้าเฝ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระองค์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 พระองค์คงจักยังไม่ปรินิพานเป็นแน่แท้อานนเอยเธอและภิกษุสงฆ์จะหวังอะไรในเราอีกล่าทำใดที่เราควรแสดงเราได้แสดงหมดแล้วไม่มีกรรมมือของอาจารย์อยู่ในเราเลยคือเราไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้นห่วงแหนทำใดๆไว้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 มีอาการสุดโสมอย่างเห็นได้ชัดเช่นนี้จะอยู่ยั่งยืนนานไปสักเท่าไหราตแตกสลายย่อมจะมาถึงเข้าสักวันหนึ่งอานนท์เอย่ยพวกเธอจงมีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเถิดอย่าคิดยึดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้เราตถาคตก็ เ, เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น ประทับนเวลุคามเป็นเวลานา น, านถึงแปดเดือนแม้ออกพรรษาแล้วก็ไม่ได้เสด็จไปที่อื่นคงประทับอยู่ณที่นั้นจนสิน้นฤดูเหมันเพราะพระองค์ทรงแน่พระทัยว่าคงจะดำรงพระชนชีไปไม่ได้นานนักแต่ยังไม่ได้ตรัสบอกพระอานอนท์ในทันทีทรงเหลือเวลาอีกสามเดือนที่จะปรินิพาน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 เมื่อได้มีการเริ่มต้นแล้วยอมจะมีการสิ้นสุดใครเล่าจะสามารถมูม่งหนี่วสิ่งซึ่งจะต้องเป็นมิให้เป็นได้มาเถิดอานน์เราจัดเดินทางไปสู่ปาวารเจดีพระอานน n รับฟังพระดำรัส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 ไม่อาจสังนิดถึงในยะแห่งถ้อยคำของพระมหามุนีได้แม้แต่น้อยเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาวาลเจดีประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาคลืมต้นหนึ่งแล้วก็ส่งจัดกับพระอาอนอน์อีกครั้งอานอนอ์ผู้อบรมอิทธิบาทสีมาอย่างดี และฝึกเจริญจนคล่องแคล่วแล้วอย่างเหล่านี้หากปราถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งยี่สิปีก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้พระโลกนาฏตรัสเช่นนี้ถึงสามครั้งเพราะประสงค์จะให้พระอานนนทูลขอให้ทรงพระชนชีพอยู่ต่อไปแต่พระอานนกลับนิ่งเฉยอยู่มิได้ทูลอะไรเลย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 เป็นเพราะเหตุไรเนออานน์เอยอย่างนี้แหละคราใดที่ตถาคตรประสูตรัสรู้หมุนธรรมจักรลงอายุสังขารหลาิพานครานั้นย่อมจะมีเหตุการณ์วิปริตอย่างนี้เกิดขึ้น ตดสินใจและว้าวเวประดังขึ้นมาจนน้ำตาหลั่งไหลอย่างสุดที่จะหักข้ามใจได้เพราะความรักเหลือประมาณที่ท่านมีในพระเชษฐาพาดาพระอานนมอบลงที่พระบาทธทูลแล้วทูลว่าขอแต่พระองค์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 เราได้แสดงลิมิตโอกาสอย่างแจมแจ้งแก่เธอพอเป็นในยะมาไม่น้อยกว่าส6หครั้งแล้วว่าคนอย่างเรานี้ถ้าประสงค์จะอยู่สักหนึ่งกับหรือหนึ่งยสิปีก็พออยู่ได้แต่เธอหาฉเฉหยวใจไม่เราตั้งใจไว้ในคราวก่อนๆนี้ว่าถ้าเธอทูนให้เราอยู่ต่อไป เราจะห้ามเสียสองครั้งเพราะเธอทูลครั้งที่สามจึงจะรับอาราธนาของเธอแต่บัดนี้ชาเสียแล้วเราไม่อาจกลับใจได้อีกอาอนนตั้งแต่จาริกจากเขาคิจกูจนถึงสารัมขเจดี เราให้ในยัยยะแก่เธอถึง16ครั้งและเมื่อสักครู่ที่ปาวารเจดีเราก็ยังได้กลา่าวซ้ำอีกแต่เธอก็หาเฉเียวใจไม่ทางนี้เป็นเพราะความบุกร่องของเธอเองแล้วเธอจะคล้ำครวนเอาอะไรอีก หเหรินเกวียนชารุษนี้เราได้สละแล้วเรื่องที่จะดึงกลับคืนมาอีกนั้นมิใช่วิสัยแห่งตะขาคดเราไม่ได้ปรักปรำเธอเธอเบาใจเถิดเธอได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วเราสอนเธออยู่เสมอว่าบุคคลต้องพลัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พึงใจ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 เราจึงค่อยปรินิพานละจากโลกนี้ไปไปเถอะอานน์ยังมีสิ่งสำคัญให้ทำมากกว่าคร่ำครวญสามเดือนต่อมาณบริเวณสาระวนโนทยานกรุงกุสินาราพระอาน o น์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 พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจึงพึงว้าเวไร้ที่พึ่งอานนนเอยพึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัิแล้วขอให้ธรรมวินัยอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลาย จงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งยาได้มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยอานอนท์อีกเรื่องหนึ่งคือสิกขาบทบัญญัติที่เราบัญญัติไว้อันมีอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อภิกษุทั้งหลายจะได้อยู่ด้วยกันอย่างผาสุกเมื่อเราล่วงลับไปแล้วหากสิกขาบทใดที่ไม่เหมาะสมกับสมัย หรื อ, อยากลำบากในการปฏิบัติตามกาลเทศะในภายภาคหน้าเราอนุญาตให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ข้อแต่พระองค์ผู้เจริญแต่ครั้งก่อนเหล่าพุทธบริษัท ต, ต่างเดินทางจากทุกสารทิศเพื่อฟังโอวาจาพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จวรินิพพ์แล้ว แล้วพุทธบริษัทจะพึงไปณที่ใดอานนเมื่อเราจากไปแล้วสถานที่ระลึกถึงเราก็มีอยู่คือสวนลุมพินีวันสถานที่เราประสูติปาอิสิทปัตนานะมารุกขายวันสถานที่เราแสดงธรรมเป็นครั้งแรกพุทธคยาอ่ำบลอุรุเวลาเสนานิคม สถานที่เราตรัสรู้และที่นี่ป่าสาละนครกุศินาราสถานที่เราจักพลินิพานสถานที่ทั้งสี่แห่งนี้จะเป็นสังเวชนียสถานให้ระลึกและเดินตามรอยธรรมแห่งเรา เจ้าตรัสเกี่ยวกับการปรงพระสรีระแล้วก็ทรงบรรทมนิ่งอยู่พระอานน์ถอยออกจากที่เฝ้าเพราะความเศร้าสลดสุดที่จะอดกลั้นได้ท่านไปยืนอยู่ที่ประตูวิหารน้ำตาไหลพราบจนอาบแก้มแล้วเสียงสะอื้นเบาๆก็ตามมาบัดนี้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 จนบรรลุคุณธรรมขั้นต้นเป็นโซดาบานบุคคลหากไม่มีเรื่องกระทืนใจอย่างแรงก็คงไม่เศร้าโศก ป, ปริเวทนาการถึงขนาดนี้ท่านถึงกับสอึกสะอื้นจนเทิมสั่นไปทั้งองค์ผูปป้โศกไปที่พึ้ของโลกและขอข้าพระองค์ แต่นี้ไปจะไม่ได้เห็นรพระองค์อีกแล้วเพราอง์มาดูนจากข้าพระองค์ไปแต่ก่อนแต่ไรพระองค์เปรียบเหมือนพี่เลี้สอนให้เด็กเดิกข้าพระองค์เป็นดังเด็กน้อยเริ่มจะหัดกล้าแต่พี่เลี้ กลับมีอัตภัสสะจากไปเสียแล้วพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระอานน์นหายไปนานจึงตรัสถามภิกษุอื่นได้ทราบว่าพระอานน์หลบไปร้องไห้อยู่ภายนอกส่งให้ภิกษุไปตามพระอานน์นกลับมาเข้าเฝ้าพระอานน์นจึงกลับมานั่งก้มหน้านิ่ง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 เมื่อคำหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ยากที่จะหักห้ามความเศร้ากำสนไาน้อานนเธอเป็นผู้มีบารมีทําที่ได้สั่งสมมาแล้วมากเธอเป็นผู้มีบุญที่ได้ทําไว้แล้วมากอย่าเสียใจเลยอิตอันใด ที่ควรทำแก่ตถาคตเธอได้ทำกิจนั้นอย่างสมบูรณ์แล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมและมนกรรมหันประกอบด้วยเมตตาอย่างยอดเยี่ยมจงประกอบความเพียรเถิอาห น, นุนเมื่อเราล่วงละไปแล้วเธอจะต้องสำเร็จอรหัตผลเป็นพระอรหันในไม่ช้า ตรัสกับพระอาหนอนดังนี้แล้วจึงเรียกภิกษุทั้งหลายเข้าไปใกล้แล้วส่งสรรเสริญพระอานนอ์โดยอเนกปริยายภิกษุทั้งหลายอานนอนเป็นบรรัณฑิตผู้รอบรู้และอุปถัมภเราอย่างดีเยี่ยมอานนอนเป็นผู้ดําเนินกิจด้วยปัญญารู้การที่ควรและไม่ควร รู้เวลาที่เหมาะสมควรได้รับการยกย่องนานาประการมีคุณธรรมอันน่าอัศจรรย์ในยามอาบ น, นสแสดงธรรมผู้ที่ฟังจะเกิดจิตใจยินดีในธรรมที่แสดงผู้ที่ไม่เคยฟังจะอยากฟังผู้ที่ไม่เคยสนทนาจะอยากสนทนาด้วยพุทธบริษัททั้งหลาย อานนเป็นบุคคลผู้หาได้ยากผู้หนึ่งเมื่อพระอานนไม่ได้ทุนอะไรอีกพระตถาคตเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนพระภิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมรร หรือปฏิปทาใดๆก็จงถามเสียบัดนี้ภิกษุทุกรูปเงียบกริบ ป, ปรินิพานมนทนสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พุทธดารัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้ แม้ว่าพระละกำลังของพระองค์เหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วพระบรมโลกนาศก็ยังประทานปัดทิมโอวาทเป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวง มีความเสื่อมและความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายยงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด ทองฟ้าก้่งเกลาวปราศจากเมกหมอกแสงโสมสาร ส, ส่องผ่านทิมไม้ลงมารัศมีแจ่มจรัส ด, ดูเหมือนจะจงใจส่องแสงเปล่งปลัง่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจึงสลัวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจไว้อาลัยในพระศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์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 คร้มไปด้วยเมฆคือความเศร้าโศกทั้งชุ่มโชคด้วยละอองฝนทางคณะสงฆ์ได้กำหนดเก็บพระพุทธศรีระไว้เป็นเวลาหกราตรีในวันที่เจ็ดก็จะทำพิธีถวายพระเพลิงณนะมกุฏพันธนะเจดีด้านบุรพาแห่งกุสินารานครอย่างสมพระเกียรติครบถ้วน ตามที่พระพุทธเจ้าได้สั่งความไว้กับพระอานนท์โดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธานในพิธีแม้ว่าบัดนี้พระสรีระของพระศาสดาจะไม่ต้องการองค์อุปถาตอีกแล้วทว่าพระพุทธอนุชาอานนท์ยิ่งต้องรับภาระหนักเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระ คือทุกอันหนักอึ้งแม้จะพยายามหักห้ามใจสักปานใดแต่เมื่อท่านเห็นคนทั้งหลายเศร้าโศกก็อดที่จะกาสดตา ม, ไมิได้เพราะความอาลัยในพระศาสดาอย่างสุดประมาณเป็นเวลาถึง25ปีจำเดิมได้รับหน้าที่พุทธอุปถากมาเคยรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์มึ้นเราตามองค์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 าพาภิกษุแบ่งเป็นสองหมู่เดินทางมุ่งสู่กรุงราชครืส่วนพระอานน์มีภิกษุอีกหมู่หนึ่งแวดล้อมเป็นบริวารเดินทางไปสู่นครสาวัตถีระหว่างทางเสียงเครื่องครวนขนึงหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังอยู่ทุกคนทุกแห่งที่ท่านผ่านไป ความเศร้าโศกของผู้คนไม่ต่างจากวันที่พระาศาสดานิพพานพุทธาอนุชาพระคุณเจ้าอานอนท่านนำเอาพระาศาสดาไปทิ้งเสียนาที่ใดเล่าพระาศาสดาไม่ได้ด่วนจากพวกเราไปเลย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 จนท่านรู้สึกหนื่อยล้าทั้งใจและกายทั้งทั้งที่ท่านเองก็ยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลแม้เมื่อท่านได้จาริกสู่เบญจคีรีนครเพื่อทำประชุมสังคยาพุทธอนุชาก็ได้เร่งทำความเพียรอย่างติดต่อเพื่อให้ได้บรรลุพระอรหันต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 จะเป็นวันมหาสันนิบาตท่านรู้ไม่ใช่หรือว่าตามระเบียบนั้นผู้เข้าประชุมทั้งหมดจะต้องเป็นตะขีนาศแม้จะเป็นพุทธอนุชาก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นพระอานนท์ไม่ได้กล่าวสิ่งใดนอกจากน้อมรับคำเตือนนั้นโดยดุสนี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 ด้วยแรงสำคัญของพระเทระสามรูปเป็นองค์หลักนั่นคือพระมหากัรสปะเป็นผู้ซักถามพระอุบาลีซึ่งได้รับการยกย่องจากพระศ า, าสดาว่าเป็นเลิอทางพระวินัยได้วิสัชนาส่วนพระอานนท์พุทธอนุชาก็ได้วิสัชนาพระธรรมโดยตลอดกล่าวกันว่าสังคยาครั้งนั้นทำอยู่ถึงสามเดือน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 อย่างแท้จริง